ขอนามอแต่อคุณพระนาตนาไตรขอถ่ายความเคารพต่อหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อกำเคียนกราบขอกาศหลวงพ่อกลมพระอาจารย์วันชัยพระอาจารย์สุรินข อ, อกาศเพื่อนสาธมิกขอเจริญพรพวกเราแม่ชีน ะ, ะก็ญาติโยมทั้งหลายเมื่อวานก็ก <c oughs> ็ ตอนเย็นก่อนทำวัดก็มีเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาในวัดเราโ อ, อ้ต้นไม้ลม้มเยอะแยะไปหมดลมแรงมากๆเลยนะฮะอย่างนั้นเมื่อวานนี้ยังมีลุกเห็บด้วยนะถามแม่ชีดวงว่าเอลุกเห็บแบบเนี้ยแบบว่าไม่เห็นมานานเท่าไหร่แล้วนะก็เท่าที่น่าจะ จำได้ตั้งแต่บวชมานะตั้งแต่ปี 4-6 ก็ไม่เคยเห็นนะฮะแต่ก่อนหน้านั้นนิดหน่อยเนี่ยคิดว่าน่าจะมีประมาณ10กว่าปีก็เป็นเรื่องที่ <c oughs> เป็น <c oughs> เป็นเรื่องที่ใหญ่ใหญ่นะใหญ่ๆอันหนึ่งที่เกิดขึ้นก็สร้างความเสียหายนะให้กับสถานที่พอสมควรแต่ทำนอางเดียว ก, กันก็เหมือนกับ พอฝนซาปุ๊บเนี่ยนะฮะ <c oughs> ก็มีแบบว่าแบบพระนะฮะหลายๆรูปเนี่ยก็เดินสำรวจกันสำรวจความเสียหายหลังจากพอสำรวจความเสียหายเสร็จก็เหมือนกับว่าก็เริ่มปฏิบัติกันปฏิบัติการกันน ะ, ะบางท่านก็ ตีะระฆังข้างหน้าเนาะเพื่อเหมือนกับว่าเรียกคนมาช่วยสัญญาณะระฆังก็เรียกชาวบ้านเข้ามาเนาะอย่างงั้นมีชาวบ้านเข้ามาพระหลายๆรูปก็ชนกันลงมาคนนั้นคนนี้ก็ถืออุปกรณ์ที่เรียกว่าใช้สำหรับการถากถา ง, างต่างนานามามีมีดมีมีเลื่อยมีอะไรต่างๆช่วยกันแป๊บเดียวนะฮะ ประมาณสักอช่วยกันจริงๆประมาณสักชั่วมโมงหนึ่งนะงนี่ก็แบบปรากฏว่าไอ้ที่มันเละๆอยู่ก็เสร็จลงในเวลาสั้นมากเลยก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> <g oda> ตรงนี้ก็ดูถึงเหมือนกับว่าดูถึงเหมือนกับพอเวลาที่เราเกิดนะเรื่องราวต่างๆขึ้นมาพอเราเอาตัวเราเข้าไปใส่กับเหตุการณ์นั้นๆว่าเราควรจะทําอะไรดีเนี่ย แต่ละคนแต่ละคนก็คิดถึงมุมที่ตัวเองควรจะต้องทำนะนะแล้วก็ลงมือทำพอต่างคนต่างลงมือทำก็มันก็สิ่งที่มันดูยุ่งยุ่งยากๆ ก, ก็เสร็จเร็วมากๆเลยนะฮะแล้วก็เหมือนกับว่าพอแป๊บเดียวนะฮะก็ดูยังไงอะก็เรียกว่าดูสะอาดเอี่ยมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะ <c oughs> แต่จริงๆตอนนั้นก็เป็นเรื่องที่เหมือนกับวัดเหลาก็ มีคนหลายคนเนาะแล้วก็มีคล้ายๆว่ามีผู้ที่เหมือนกับก็มองเห็นสถานที่นี้เป็นสถานที่ที่เหมือนกับว่า <c oughs> ใช้งานเนาะใช้งานกันอะไรที่มันเกะกะกีดขวางอยู่ก็จัดการกันตอนนั้นก็เป็นสิ่งที่ก็ถ้าโดยส่วนตัวก็นึกชื่นชมนะนึกชื่นชมทุกๆคนที่ เข้าไปเกี่ยวข้องกับตรงนั้นอะไรเงี้ยก่อนหน้านั้นก็มีเรียกว่ามีคนมาสมัครบวชอยู่คนหนึ่งนะปรากฏว่าเป็นคนที่เขาเรียกคิดมากๆเลยคิดคิดมากๆแม้กระทั่งพูดคำหนึ่งนะอย่างช้านะ่ะคือเหมือนกับ พูดนี่เหมือนกับว่าต้องหยุดหายใจสักสองสามครั้งนะถึงจะมีคำคำหนึ่งออกมาจากปากอย่างเงี้ยก็ <c oughs> ปรากฏว่าในขณะที่ในขณะที่ลมกำลังกันโชคลุนแรงอยู่แล้วก็ <c oughs> วก็เหมือนกับคล้ายๆว่าก็สถานการณ์ข้างนอกก็เหมือนกับว่าพายุพายุอะไรก็เยอะแยะไปหมดนะแต่ปรากฏว่า โยมที่มาสมัครบวชนะก็ยังวนเวียนอยู่กับความคิดตัวเองนะสถานการณ์ข้างนอกไม่ไม่ไม่ได้ดึงความสนใจอะไร <c oughs> ของตัวเองไปนะก็ยังเหมือนกับตกอยู่ในภวังของความคิดพอเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราก็มองเห็นนะว่าเออคนที่เป็นอย่างนี้เนี่ยเหมือนกับเขาไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับสถานการณ์นอกนอกรอบตัวเลยคือเหมือนกับ คล้ายๆว่าเขาก็มีโลกของเขาอยู่โลกหนึ่งแล้วเขาก็เหมือนกับเวลาที่อยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างเงี้ยนะก็แบบก็อยู่อย่างแปลกแยกเพราะว่าเนื่องจากว่าเขาก็จมอยู่กับความคิดของตัวเองเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นข้างนอกตัวเองก็ไม่ไม่พาตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเหมือนอย่างคนอื่นนะอย่างเงี้ย นั่นคือพอพอมองเห็นภาพแบบนี้ก็มีความรู้สึกว่าเออบางทีถ้าพวกเราเนี่ยไม่ได้ฝึกกันเนาะแบบที่ที่นี่ฝึกกันก็คือฝึกที่จะวางความคิดกั น, นวางความคิดด้วยการที่เราเริ่มต้นกรรมฐานเราก็ใช่มแบบว่า <c oughs> แบบคอยรู้สึกตัวกันกลับมารู้สึกตัวกันการกลับมารู้สึกตัวเนี่ยหมายถึงว่าการเอาใจเนี่ยกลับมาอยู่กับร่างกายอย่างเนี้ยเนาะ การเอาใจกลับมาอยู่กับร่างกายก็หมายความว่าตอนนั้นเนี่ยใจก็จะละทิ้งความคิดเนาะที่ใจไปเกาะอยู่เพราะถ้ากเราเกิดเราเกิดสังเกต ด, ดูเนี่ยคือมันใจเราเนาะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ฝึกกันเนี่ยเราก็จะวนเวียนอยู่กับความคิดนู่นคิดนี่ทั้งวันเลยซึ่งหลวงพ่ อ, อคำเขียนก็จะสรุปเอาไว้ว่ามันเหมือนกับเราเหมือนกับเอาความคิดเป็นเพื่อนเนาะ เราหาคําตอบจากความคิดอย่างเงี้ยคือตรงเนี้ก็เป็นคําสรุปสั้นๆของหลวงพ่อคําเขียนที่ช่วยให้เราได้มองเห็นว่าอืมถ้าเราเนี่ยเหมือนกับมองย้อนกลับไปก่อนที่เราจะมาฝึกกรรมาฐานกันเนี่ยเราจะเป็นแบบนั้นตลอดเลยเนาะเหมือนกับข้างหน้าเราคืออะไรเนี่ยเราจะไม่เห็นเนาะแต่เราจะคิดไปเราอยู่กับโลกเนาะเราไม่อยู่กับโลกของความเป็นจริง แต่เราอยู่กับความคิดของเราอย่าง น, างนี้ซึ่งตอนนั้นความคิดของเราก็สร้างเรื่องสร้างราวต่างๆมากมา ย, ยาคืออย่างที่ยกตัวอย่างของโยมเมื่อวานที่มาที่มาขอบวชเนี่ยปรากฏว่าตัวเองน่ะก็ตั้งใจมาขอบวชเนาะอันนี้พอเวลาที่เหมือนกับว่าพอเวลาที่พูดคุยกันเนี่ย ก็พูดคุยกันพอพูดคุยกันก็เหมือนกับคล้ายๆว่าทุกอย่างเนาะก็คิดมากไปหมดเลยคิดมากขนาดที่คิดมากขนาดที่อะไรแค่ชื่อตัวเองชื่อตัวเองเนอะก็มีชื่อที่เหมือนกับก็เป็นชื่อที่มีเพื่อนเรียกหากันใช่ไหมก็เป็นชื่อที่เพื่อนเรียกหากันหนึ่งชื่อที่คุณเคย กับอีกช well. ื่อหนึ่งก็เป็นชื่อตามบัตรประชาชนอย่างเนี้ยพอเวลาถามถึงชื่อก็ยังสับสนนะฮะจะเอาชื่อไหนถึงดีก็แบบมันมันคือเรามองภาพแบบนี้นะเราก็มองความรู้สึกว่าบางทีพอเราถือเอาความคิดเป็นเพื่อนถือเอาความคิดเป็นเพื่อนปุ๊บเนี่ยแบบว่า บางทีมันก็หลงนะหลงเข้าไปมากๆถ้าเราไม่มีแบบว่าอันนี้เราไม่ไม่ใช่เรานะหมายถึงถ้าตัวหลวงพ่อเองนะไม่เหมือนกับว่าไม่ได้มาเจอหลวงพ่อกําเขียนเนี่ยบางทีเราก็อยู่กับจินตนาการก็เหมือนกับเวลาที่เราเรียนเวลาที่เราทํางานเนี่ยยิ่งในสายงานที่ทํามาเนี่ย เรื่องเรื่องความคิดเนี่ยจะเป็นเรื่องของการที่จะนำมาซึ่งอาชีพจะนำมาซึ่งเขาเรียกว่าการได้การได้งานอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นนั่นคือเราก็จะคิดนะคิดเป็นสาระเป็นสาระอันเกษมไปเลยพอเวลาที่มาเจอมาเจอหลวงพ่อคาเขียนเนี่ยโอ้แบบเรียกว่าขนลุกเนาะกับการที่ โอ้ชีวิตเราเนะีเรียกว่าปรุงแต่งเนี่ยตลอดเวลานะแบบว่าเนื่องจากว่าที่นี่ใช่ไหมก็คำว่าสังขารเนี่ยเนาะหนึ่งในห้าขันเนี่ยก็เพิ่งเคยได้ยินนะเป็นครั้งแรกอันนี้อันนี้หมายถึงว่า ก, ก่อนหน้านี้ไม่เคยได้ยินจริงๆนะได้ยินสังขารคือการตรุงแต่งเนี่ยเนาะนะแล้วก็มาสะดุดกับ <c oughs> ก็เรียกว่า <c oughs> มาสะดุดกับบทพิจารณาอาหารนะ ที่พูดถึงเรื่องของมรณฑนะเนาะการประดับและตกแต่งอย่างเงี้ยนะโอ้ตรงนั้นสะดุดใจมากๆเลยนะว่าโอ้ชีวิตเรานะแบบว่ามีบ้านเนาะบ้านหลังหนึ่งเนี่ยจะทําให้เป็นบ้านคนแก่ก็ได้จะทําให้เป็นบ้านแบบว่าเด็กเปรี้ยวๆก็ได้จะทําบ้านให้เป็นหนุ่มข่าวบอยก็ได้อะไรเงี้ยเนานะมีโครงมีเสามีอะไรต่างๆนาน า, นานเหล่านี้นะ ก็ประดับตกแต่งเข้าไปใช่ไหมฮะทาสีทาสันเข้าไปเดี๋ยวบ้านมันก็กลายเป็นอะไรนะก็เรียกว่ามีอารมณ์ต่างๆนาน า, นาเหล่านี้ตามเ็าเรียกว่าตามผู้เป็นเจ้าของนะอย่างนั้น <c oughs> นั่นนั่นคือชีวิตก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องแบบนี้มาตลอดนะการเติมเพิ่มเข้าไปอย่างเงี้ย น, นะเป็นสาระอันกระเสของชีวิตมากๆเลย นั่นนั่นคือตรงนี้ก็จะมาจากไหนก็ต้องมาจากเขาเรียกว่าจินตนาการของเรานะจะหยิบอะไรไปใส่เพื่อให้มันถูกใจคนอยู่อะไรต่างๆอยู่กับอย่างนี้ทั้งชีวิตเนาะแต่พอเรามาถึงที่ที่นี่เนาะมาเริ่มรู้จักกรรมฐานเนี่ยโอ้เรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่เราต้องระมัดระวังที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยนั้นก็เป็นเรื่องที่เรียกว่านํามาซึ่งทุกเลยอย่างเงี้ยซึ่งอพอเรามีความรู้สึกว่าเรา เรียกว่าอยู่กับสิ่งที่เราทําโดยที่เราไม่เคยเราแบ่งเราไม่เคยคิดว่าจะคืออะไรยังไงแต่ว่าเราคิดว่านี่คืออาชีพของเรานี่คือความก้าวหน้าของเรานี่คืออะไรต่างๆนานาเหล่านี้คือเห็นดีเห็นงามไปหมดเนี่ยแต่ว่าตรงนี้ก็ไม่ใช่ว่าเรื่องนี้พอหนึ่งนาทีนี้นะก็ไม่ใช่ว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะแต่เหมือนกับว่าพอเวลาที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ย เราเกี่ยวข้องแบบชอบหรือไม่ชอบอย่างเงี้ยนะคือถ้าเราเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยการเห็นดีเห็นงามอย่างเดียวเนี่ยเราก็จะไม่เห็นส่วนที่ไม่ดีไม่งามแต่พอเวลาที่เรามีกรรมฐานเนาะเรามีการปฏิบัติธรรมเรามีสิ่งที่เราเรียกว่าสติเข้าไปเกี่ยวข้องอยู่ด้วยเนี่ยคือเรื่องพวกเนี้มันก็จะกลายเป็นเรื่องที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องแบบระมัดระวังเข้าไปเกี่ยวข้องแบบที่แค่ไหนถึงจะพอเหมาะพอดีก็ไม่ใช่ว่า จะทำไม่ได้แต่หมายถึงว่าทำยังไงเนาะที่จะทำให้สิ่งที่เกี่ยวข้องเนี่ยไม่ทำให้เกิดความเสียหายทั้งกับเราทั้งกับผู้อื่นตรงเนี้ยก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับนี่นี่คือสิ่งที่เรียกว่าเออพอเวลาที่เรามีกรรมฐานเนาะเวลาที่เรามีเรื่องการฝึกสติเนี่ยการฝึกสติก็จะเอาเข้าไปเนาะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องราวต่าง เกี่ยวข้องกับความรู้ความชำนาญที่เรามีเนี่ยอย่างที่มันเกิดความเหมาะสมเราไม่ต้องดัดแปลงอะไรไม่ต้องหาความรู้อะไรใหม่<ส>เพียงแต่ว่าเติมนะเรียกว่าความรู้สึกตัวเข้าไปเติมสติเข้าไปถ้าเราเติมความรู้สึกตัวเข้าไปเติมสติเข้าไปเนี่ยเราก็ไม่ไหลไม่หลุดเข้าไปเราก็จะไม่เอาความคิดเนี่ยเป็นใหญ่เนาะแต่ว่านั่นคือตรงนี้เนี่ยความคิดเนี่ยเราก็จะระมัดระวังนะ อันนี้เป็นสิ่งที่เราเรียกว่ารักคิดอย่างที่หลวงพ่อกาเขียนบอกหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าเวลาที่เราเริ่มต้นกรรมฐ า, า น, นเงี้ยพอเมื่อกายเคลื่อนไหวใจมารับรู้ปุ๊บเนี่ยทุกคนเลยเนาะก็มั่นใจว่าทุกคนที่ฝึกกรรมฐ า, านเนี่ยเราจะพบว่าพราะเราตั้งใจที่จะคอยรู้เนาะคอยรู้ตัวเนี่ยคอยรู้สึกตัวกันมันก็จะเห็นความคิดที่มันแซงขึ้นมาทันทีนะอย่างเนี้ย ซึ่งความคิดที่แสงขึ้นมาตรงนั้นน่ะหลวงพ่อกำเขียนบอกว่าอันนั้นคือสิ่งที่เราเรียกว่าลักคิดเนาะแล้วก็ความคิดแบบนี้ละที่มันเป็นสิ่งที่เรียกว่ามันจะเกิดการปรุงแต่งไปต่างๆนานาสารพัดซึ่งเนี่ยเป็นเรื่องที่เหมือนกับว่าพอเวลาที่หลวงพ่อเองเวลาที่ทำกรรมาฐานตรงนี้เนี่ยก็จะนึกถึงเนาะว่าเวลาที่เราทางานสมัยก่อนเนี่ย เราทำงานกับความคิดเนี่ยนะทำงานกับสิ่งที่เราเรียกว่าจินตนาการเนี่ยในขณะที่เรากำลังตั้งใจคิดเนาะมันก็มีเรื่องอื่นเนี่ยที่มันเป็นการคิดที่แสงก็มาทันทีเหมือนกันเนี่ยนั่นนั่นคือตรงเนี้ยก็มีความ ร, รู้สึกว่าเออนะแบบกรรมฐานนี้เนี่ยมันครอบคลุมได้ดีมากๆเลยนะมีความ ร, รู้สึกว่าชื่นชมมากว่าโอ้หลวงพ่อเทียนเนาะหลวงพ่อคำเขียนนะสรุปเรื่องให้เราสั้นๆเนี่ยเราก็เอามาใช้ได้แบบว่าได้ทันที เพราะในขณะที่การงานของแต่ละคนเนี่ยเป็นคนละอย่างเนาะแม่ครัวก็อาจจะจับมีดจับจับซ่อมมาเลยต่างๆนานาเหล่านั้นเนาะคนเขียนหนังสือก็อาจจะจับปากกากันไปอะไรเงี้ยเนาะเนี่ยแต่ในขณะที่เรากําลังทํางานทํางานที่เราจําลองเรื่องของการรู้สึกตัวเนาะเรื่องของการที่เราอยู่กับอเขาเรียกว่ากรรมาฐานสิบสีจังหวะหรือว่าการเดินจงกรมมก็ดีตรงนี้เนี่ยการที่เรา แบบสร้างเนาะก็เรียกว่าความเคลื่อนไหวขึ้นมาก็ถือเป็นการงานอันหนึง่งในขณะที่เราสร้างความเคลื่อนไหวขึ้นมาเนี่ยอันนั้นก็ถือว่าเป็นงานหลักของเราณนะขณะนั้นจะเป็นหลวงพ่อเองงานหลักณนะขณะที่กําลังทําก็คืองานที่ต้องใช้จินตนาการอย่างนี้เนาะอย่างนั้นก็เป็นงานหลักอันหนึ่งเพราะว่าพอเรามีหลักอันนึงอยู่ปุ๊บเนี่ยอะไรอื่นๆที่มันแปลกปลอมเข้ามาเนี่ยมันจะเห็นง่ายแล้วก็ ถ้าหากว่าเราเหมือนกับว่าได้ทำตามเนาะครูบาอาจารย์บอกเนาะเหมือนกับว่ารู้ว่าคิดเนี่ยวางไปก่อนรู้ว่าคิดนวางไปก่อนเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันมันก็ปลอดภัยมากเลยนะถ้าสำหรับโดยส่วนตัวเองนะก็เหมือนกับว่าเราหัดนะถ้าเราหัดแบบนี้หัดแบบนี้ให้คุ้นเคยเนี่ยความคิดอะไรที่ผ่านเข้ามาเนี่ยจะเป็นคิดดีก็ตามคิดไม่ดีก็ตามเนี่ย มันจะเป็นสิ่งที่เราเหมือนกับว่าละเขาง่ายเนาะง่ายมากๆเลยอเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยก็เป็นสิ่งที่ก็เรียกว่าก็ถ้าโดยส่วนตัวก็เห็นคุณมากเลยนะเห็นคุณกั บ, <c oughs> ก, บกับกรรมฐานนะของลวงพ่เทียนที่ให้ไว้เนี่ยมีความรู้สึกว่าโอ้แบบว่าเป็นสิ่งที่ครอบคลุมครอบคลุมชีวิตมากมากเลยแต่ทำนองเดียวกันเนี่ยก็เรียกว่า เวลาที่เราทํากรรมฐานอันนี้เนี่ยเวลาที่เราเมื่อสร้างความเคลื่อนไหวขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราก็เหมือนกับว่ามีสติที่จะคอยดูกายที่เคลื่อนไหวเนาะแล้วก็มีสติที่จะคอยดูใจที่คิดนึกตรงนี้เนี่ยเราก็จะพบว่าอืมในขณะที่เราดูเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าความคิดที่เข้ามาเนี่ยใช่ไหมก็เขาก็จบไปง่ายๆความคิดที่เข้ามาเขาก็จบไปง่ายๆ บางทีตรงนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับว่ามันก็มีความคิดใหม่เข้ามาอีกนะ น, นะว่าอื <laughs> เราก็ทําได้นะ <laughs> พอความคิดแบบนี้เข้ามาเนี่ยนะบางทีถ้าเกิดว่าเราไม่ระวังเนี่ยนะมันก็กลายเป็นตัวเราไปอีกเนานะในขณะที่กรรมาฐานเริ่มต้นให้ว่านะเราดูกายที่เคลื่อนไหวนะดูใจที่คิดนึกเนะี่ยการดูนะก็ออกมาอยู่นอกกายอยู่นอกใจเนาะอย่างนั้นะ ก็กายกับใจก็เป็นเป้าหมายของการดูสิ่งที่ดูอยู่ก็เป็นคนละสวนกันกับกายกับใจแต่พอเวลาที่เออเราก็ทําได้นะปุ๊บเนี่ยมันก็หลอมรวมก็ไปเป็นสิ่งเดียวกันอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็เออนะมันก็ไ ด, ได้ได้ทันเห็นเนาะได้ทันเห็นเรื่องพวกนี้พอเห็นเรื่องพวกนี้มันก็ทําให้เราได้เหมือนกับระวังเรื่องความคิดเนี่ย ระวังเรื่องความคิดเนี่ยว่าอืมนี่ความคิดนะแบบว่ามันแทรกเข้ามาได้ทุกที่นะ <c oughs> ในตอนที่มาอยู่ที่วัดใหม่ๆได้สองสามวันเนี่ย <c oughs> ก็ตั้งใจตั้งใจว่าจะตั้งใจอยู่กับกรรมฐานเนี่ยทั้งมันทั้งมันก็เรียนหลวงพ่อเรียนหลวงพ่อไวนะ้นะวันหนึ่งหลวงพ่อก็เหมือนกับ เดินผ่านไปตรงแถวกุดที่อยู่จริงๆก็หลวงพ่อก็จะเดินนะเาเรียกว่าเดินทั่วๆวัดอยู่ละละแต่ว่าวันนั้นเนี่ยหลวงพ่อเดินไปแล้วก็มีความรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ก็จดจำเอาไว้มากๆเลยก็คือพอเดินผ่านไปนะก็ <c oughs> เห็นหลวงพ่อเดินผ่านมาเราก็รีบรายงานหลวงพ่อ ไม่เห็นคนหลายวันก็อยากพูดนะฝอหลวงพ่อผ่านมาปุ๊บก็โอย้ยิ่งหลวงพ่อผ่านมาเนี่ยยิ่งสําคัญกว่าคนอื่นนะยิ่งอยากพูดมากกว่าอยากรายงานถึงสิ่งที่เราทําหรืออะไรต่างนานาเหล่านี้ก็รีบรายงานหลวงพ่อไปบอกว่าเนี่ยวันเนี้นะั้นหลวงพ่อแบบว่าไม่ได้คิดอะไรเลยนะหลวงพ่อก็ไม่ได้หยุด ไม่ไม่ได้หยุดอะไรมากนะหลวงพ่อพก็ชะ ง, งักนิดหนึ่งแล้วหลวงพ่อพก็บอกว่าระวังหลงนะแล้วหลวงพ่อพก็เดินต่อไปพอสิ่งที่หลวงพ่อ พ, พูดกระทบหูปุ๊บเนี่ยโอ้โหขขนลุกนะว่าเรา<笑><笑>ก็หลงพอใจในสิ่งที่เราบอกว่าเราไม่ได้คิดเลยนะแล้วก็เลียนหลวงพ่อพไปอย่างเงี้ยโอ้ก็มันก็เป็นสิ่งที่อยู่ที่นี่นะเรื่องของ การที่เหมือนกับว่าเรื่องรู้กับเรื่องหลงเนี่ยก็เป็นเรื่องที่หลวงพ่อเขียนก็เรียกว่าเน้นนะฮะเน้นการเปลี่ยนหลงเป็นรู้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่เน้นมากๆเลยนั้นนั้นคือตรงเนี้ยว่าคําสั้นๆของหลวงพ่อเนี่ยว่าระวังหลงนะเนี่ยก็เป็นสิ่งที่แบบเรียกว่าก็จําใส่ใจนะจำใส่ใจเอาไว้แล้วก็ พยายามที่จะมาทบทวนกับสิ่งที่เราทาไปทำประจำวันเนาะสิ่งที่เราทาไปแล้วก็ดีหรือว่าสิ่งที่เรากำลังทำเฉพาะหน้าอยู่ก็ดีตรงเนี้ยก็เป็นสิ่งที่ก็เรียกว่าก็เหมือนกับมันก็ทำให้ชีวิตเราก็ได้เดินนะได้เดินมาถูกที่ถูกทางก็ค่อนข้างมั่นใจนะว่าเดินมาถูกที่ถูกทางเนื่องจากว่าเราก็อยู่กับวัดมาเนาะอยู่กับวัดมา สิบสองปีเนะ 12, าะพรรษาแล้วก็การที่อยู่กับวัดมาเนี่ยก็เหมือนกับว่ามีหลวงพ่อเนาะเป็นเป้าหมายเป็นเป้าหมายของเราเป็นเป้าหมายอะไรก็คือเป็นเป้าหมายเพราะว่าเราดูหลวงพ่อแล้วเนี่ยหลวงพ่อก็ไม่มีทุกข์นนะไม่ว่าหลวงพ่อจะทำอะไรงไงก็ตามทำนองเดียวกันเราก็ดูการกระทำของหลวงพ่อนะว่าหลวงพ่อเนี่ยทำอะไรยังไงพอเวลาที่ดูการกระทำของหลวงพ่อ บางทีก็ดูเนาะดูหมายถึงว่าเรียนรู้เอาไว้ว่าอุ้งหลวงพ่อทําเรื่องนี้แบบนี้แบบนี้บางทีก็ดูลงไปอีกนิดหนึ่งว่าเออนี่หลวงพ่อทําเรื่องแบบนี้เียแบบนี้เนี่ยแบบว่าหลวงพ่อวางใจยังไงในตานานานเล่านี้เรียนรู้เนาะเรียนรู้การวางใจของหลวงพ่อก็ตรงนั้นก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าเราก็เหมือนกับอยู่ที่นี่นะแล้วก็ เรียนรู้ผ่านการกระทำแล้วก็มีครูบาอาจารย์ที่ให้เราได้ดูได้เห็นไอ้การที่คําสอนของครูบาอาจารย์อื่นๆเนาะที่นึกถึงเนี่ยอย่างยางก่อนหน้าที่จะมาบวชเนาะก็เคยฟังอ่าเาเรียกว่าเคยฟังเทศของหลวงปู่ชาหลวงปู่ชาจะบอกว่ามี มีฝรั่งคนหนึ่งเนี่ยไม่มีฝรั่งมีพระฝรั่งรูปหนึ่งนะที่เหมือนกับบวชอยู่กับท่านใช่ไหมอย่างนี้แล้วก็พระฝรั่งก็ถามว่าทำไมพระองค์นั้นเป็นอย่างนั้นทำไมเนนทำไมเนอนองค์นี้เป็นอย่างนี้นะทำไมคนนั้นเป็นอย่างนั้นทำไมคนนี้เป็นอย่างนี้นุะชาก็บอกบอกว่าให้เราเนี่ยสนใจคนอื่นนะ่ะห้าเปอร์เซ็นแล้วให้เรามองดูตัวเองเนี่ยเก้าสิบห้าเปอซ็นตก็ โอ้โหเปอร์เซ็นต์มันต่างกันขนาดนั้นนะกกับ 5% อนน่นะนั่นนั่นคือพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยก็เราเขานับถือนะหลวงปู่ชาว่าท่านก็เป็นพระที่แบบว่าเป็นพระที่ชัดเจนในการสอนคำสอนของท่านก็เป็นคำสอนที่สะดุดหูมาตั้งนานเนาะแล้วก็พวกคำสอนพวกเนี้ยอย่างอธิเช่นเนาะเหมือนกับว่า คำสอนที่สะดุดหูอีกอันหนึ่งของหลวงปู่ชาก็ที่ทำให้เหมือนกับว่าก็ต้องเหมือนกับฟังท่านนะฟังท่านด้วยความนับถือแล้วก็ฟังท่านด้วยเราก็จดจำเอาสิ่งที่ท่านสอนเนี่ยมาใช้อันที่อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของไม้นี้สั้นหรือยาวอย่างเงี้ยนะ <c oughs> ไม้นี้สั้นหรือยาวถ้าเราอยากได้ยาวไม้นี้มันก็สั้นถ้าเราอยากได้สั้นไม้นี้มันก็ยาว ตรงนี้ก็เป็นคําธรรมะนะเหมือนกับว่าเป็นธรรมะที่เหมือนกับพอเวลาที่เราเอาความชอบเอาความไม่ชอบของเราเข้าไปวัดอะไรยังไงก็ตามเนี่ยตรงนั้นมันก็จะเป็นสิ่งที่พอใจไม่พอใจปรากฏขึ้นมาเนาะสิ่งที่เราเห็นมันก็จะถูกใจไม่ถูกใจเราขึ้นมาทันทีอย่างเงี้ยคือตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าแล้วก็ฝั่งคําครูบาอาจารย์เอาไว้พอเวลาที่เรามาอยู่ในรั้ววัดเนาะอยู่ในพระเหลืองอย่างเงี้ย ถึงแม้ว่าที่นี่เองเนี่ยจะมีหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคำเขียนเนาะเหมือนกับว่าท่านเหมือนกับว่าท่านอยู่กับเราตรงนี้แม้ท่านไม่อยู่กับเราก็ตามเนี่ยแต่ว่าคําสอนของท่านก็อบอวนอยู่ตรงนี้แล้วทํานองเดียวกันเนี่ยเราก็เหมือนกับได้นึกถึงคําครูบาอาจารย์อื่นๆซึ่งตรงนั้นเองเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าคําครูบาอาจารย์อื่นๆที่สอนเอาไว้เนี่ย ก็ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันไปทั้งหมดหลวงพ่อคำเขียนเนี่ยจะเป็นคนที่เน้นอะไ้เลยนะว่าในช่วงต้นๆของการมาบวชเนี่ยนะคือเหมือนกับว่าหลวงพ่อคำเขียนก็อาจจะจัดสมดุลให้กับให้กับการปฏิบัติเนาะของคนที่มาใหม่เ น, ะนานะก็คิดว่าหลวงพ่อก็คงแบบว่าพูดภาพรวมๆนะให้เราได้มองเห็นอะไรอย่างี้นะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องว่าระวังหลงที่หลวงพ่ออุตสาเดินไปที่กุฏิแล้วก็พยายามบอกเราหรือว่าจะเป็นเรื่องที่เหมือนกับว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ได้เอาแสงเอาสีนะแต่การปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นการที่เราเนี่ยเอามาใช้กับชีวิตประจําวันตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าคําสอนตรงนี้ก็เป็นคําสอนที่จําเอามาตลอดเวลาว่าเนี่ยเวลาที่เราปฏิบัติธรรมกันบางทีเราก็จะไปเน้นเนาะ เน้นหนะักเรื่องการเอาจริงเอาจังกับตัวเองเนาะโดยที่เราก็ไม่ได้พาตัวเองเนี่ยออกไปเกี่ยวข้องกับเรื่องราวข้างนอกพอที่ถ้าหากว่าเราไม่ได้พาตัวเองก็ไปเกี่ยวข้องกับข้างนอกเนี่ยเราจะพบว่าในโลกเนาะก็จะมีเรื่องราวแบบนี้อยู่ตลอดเวลาอย่างอาทิเช่นเนาะสังคมนี้ไม่มีคนดีสักคน เวลาที่พูดว่าสังคมนี้ไม่มีคนดีสักคนเนี่ยเราก็มองออกไปนอกตัวหมดเลยนะอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นมุมของหลวงพ่อเนี่ยใช่มขอให้เราเป็นคนดีสักคนหนึ่งในสังคมนี้นี่นี่คือสิ่งที่ก็เรียกว่ามันก็จะตรงกับคำกรุบาจารย์ตรงกับคำหลวงปู่ชานะมองข้างนอกสักแบบว่าห้าเปอร์เซ็นตแล้วมองกลับมาที่ตัวเรา เราจะเอาตัวเราเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องราวต่างๆยังไงพอเป็นตรงนี้ปุ๊บเนี่ยก็นึกถึงคุณอุปการของกรรมฐานเนะของหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อเทียนก็ตั้งใจเอาไว้เลยว่าท่านสอนกรรมฐานด้วยวิธีการแบบนี้เนี่ยเพราะว่าท่านก็บอกว่าทหารตำรวจเนี่ยไม่ว่า จ, จะเป็นใครยังไงก็ตามเนี่ยก็สามารถที่จะเอากรรมฐานเนี่ยไปใช้ได้จะเป็นหลวงปู่มั่นก็ดีหลวงปู่มั่นก็บอกนะว่า ถ้าเราเนี่ยไม่สามารถที่จะเอากรรมฐานเนี่ยมาใช้กับชีวิตรประจำวันได้เนี่ยเราก็ไปไหนไม่ได้แล้วก็พอเวลาที่เรานึกถึงเนาะชีวิตของเราเนี่ยเหมือนกับว่าเราก็มีภารกิจเยอะแยะไปหมดนะกับการที่เราเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าเราแบ่งเวลาเนาะออกเป็นส่วนๆเวลานี้ทำกรรมฐานเวลานี้ทำเรื่องราวต่างๆเนี่ยถ้าเราแบ่งอย่างงั้นปุ๊บเนี่ยโอ้โหชีวิตที่จะทากรรมฐานเนี่ยน้อยมากๆเลย นั่นก็คือถ้าเราเนี่ยผนวกเอาแบบว่ากรรมฐานกับชีวิตเนี่ยเข้าไปได้วยกันปุ๊บเนี่ยตรงนั้นเนี่ยเรามีเวลาทั้งวันและกรรมฐานแบบเรานะเป็นกรรมฐานที่อาศัยก็เรียกว่าความเคลื่อนไหวของร่างกายเนี่ยเป็นเครื่องมือในการทากรรมฐานเนี่ยตรงเนี้ยเราจะมีโอกาสทั้งวันแล้วก็โอกาสตรงเนี้ยก็ไม่ต้องเป็นโอกาสที่เราเหมือนกับว่า ต้องคอยมุดหิดเอากับการที่โอ้ยหลงอีกแล้วอะไรต่างๆนานาเหล่านี้เนาะถ้าเกิดว่าเราหลงอีกแล้วเนี่ยเราก็กลับไปอยู่กับอดีตที่หลงไปเมื่อกี้นะแต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่กับปัจจุบันเนี่ยเ้าก็กลับมารู้สึกตัวใหม่เริ่มต้นใหม่ได้ทุกขณะได้ทุกวินาทีได้ทุกวินาทีตรงนี้ก็มองเห็นนะว่า ยิ่งไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นก็ตามบ้างวันเช้าก็พูดถึงเรื่องเนปาล น, นะว่าเออนี่เขามีแผ่นดินไหวอยู่ตลกอยู่อยู่แบบว่ากําลังกําลังเดือดร้อนขึนอยู่พอถึงบ่ายขึ้นมาเนะเราก็เออนี่พายุก็ลงวัดจริงๆก็เรื่องพายุลงวัดนี่ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่มีบ่อยนะไม่ใช่เป็นเรื่องที่มีบ่อยก็เท่าที่จําได้นี่เมื่อห้าปีที่แล้วเนี่ย ก็มีพายุหมุนครั้งหนึ่งมาลงอยู่อยู่กลางกลางวัดเนี่ยก็บริเวณสะตรงนี้เหมือนกันนะอย่างนั้นก็5ปีที่แล้วก็ต้นงต้นไม้รอบๆอบสะเนี่ยก็ล้มแบบนี้เหมือนกันคราวนี้ก็เหมือนกั น, นแต่ว่านั้นคือตรงนี้เนี่ยก็เห็นเนาะว่าการกระทาของเราเนาะการกระทาของเราก็จะเป็นการช่วยให้ก็เรียกว่า สิ่งต่างๆนานาเนี่ยดีขึ้นเนาะทุกคนทุกคนเนี่ยลงมือกันทาไปนั้นทำไนี้ต่างๆนานาเหล่านี้ม่อยู่กับความคิดเนี่ยตรงเนี้ยสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับชีวิตเรานั้นนั่นคือตรงนี้ก็อยากฝากให้พวกเรานะว่าตรงนี้จะเป็นสิ่งที่ปัร์สุลินภาสวดเนาะพุทธคุณร้อยบทเนี่ยเราจะพบว่าบทสรรเสริญทั้งหมดเนี่ยเป็นบทสรรเสริญที่ เห็นการกระทำของพระพุทธเจ้าเนอะว่าท่านกระทำอันนั้นท่านกระทำอันนี้เนี่ยแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีเนอะเป็นเรื่องที่ดีแจกแจงออกมาได้เป็นตั้งร้อยบทเนี่ยทั้งหมดนะเป็นเรื่องของการกระทำทั้งหมดเลยแล้วก็ mm hmm. พระจานทร์สลิงก็ยังพาจบด้วยว่าให้พวกเราเนี่ยจำเลยแบบว่าได้ทำได้สวดพุทธโอวาสบทสุดท้ายเนี่ยที่บอกว่าให้พวกเราเนี่ยอย่าได้ประมาท คำมัอยาไให้ประมาทอันนี้ในส่วนตัวของหลวงพ่อเองนะคนอื่นจะคิดยังไงก็ไม่รู้อย่างเงี้ยว่าตรงเนี้ยหมายถึงว่าเราเนี้ยอย่าได้คิดว่าเราอ่ะดีแล้วเนาะถ้าเราไม่คิดว่าเราดีแล้วเนี่ยเราจะมีการพัฒนาตัวเองตลอดเวลาแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ได้หลงว่าเราดีแล้วเนี่ยเราก็จะเหมือนกับว่าก็เรียกว่าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องราวต่างๆเนี่ย จะเกี่ยวข้องกับการพูดการกระทํำอะไรก็ดีเนี่ยเราจะเกี่ยวข้องด้วยสติแล้วเราจะมีความระมัดระวังแต่ถ้าเกิดว่าเราเผลอไปนะคิดว่าเราดีแล้วเนี่ยจะพูดก็อาจจะบานหูคนอื่นจะทําก็อาจจะไม่เหมาะสมกับเรื่องราวต่างๆเพราะฉนั้นนั่นคือตรงนี้ก็ฝากเอาไว้ว่ากรรมฐานเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยให้ชีวิตเราดีขึ้นแล้วก็จะช่วยให้ สิ่งรอบๆตัวเราดีขึ้นแล้วก็ตรงนี้เนี่ยการที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องต่างๆเนี่ยเราก็จะเกี่ยวข้องด้วยจิตใจที่ไม่ฟูไม่แป๊บเป็นจิตใจที่สงบแล้วก็ตรงนี้เป็นสิ่งที่จะทำให้เราทุกคนรวมทั้งตัวเราเองด้วยเนี่ยไม่ถูกเนาะก็เดี๋ยวพวกเรากลับมาพร้อมกัน